ได้ด้วยศีลและปัญญาเขาเจริญเมตตาต่ออุบาสกอุบาสิกาผู้ศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสพัพทธเจ้าทุกท่านในโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้กระทาบุญที่เรียกว่าธรรมัสวัสดิ์ม่บุญคือการฟังธรรมให้เกิดขึ้นในระหว่าง อาตมาและท่านทั้งหลายเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตของท่านเพราะว่าการฟังธรรมนั้นก็มีอนิสงส์มากมายเช่นได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหรือสิ่งที่ฟังแล้วฟังซ้ำก็จะได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นบรรเทาความสงสัยคือตัดสินใจไม่ได้ ให้มันหมดไปแล้วก็ได้ปัญญาคือมีความรู้ความจริงตามพระพุทธเจ้าส่วนประการสุดท้ายก็คือได้ความผ่องใสของใจเพราะเหตุแห่งศรัทธาความเลื่อมใสและปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตใจพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มีคุณลักษณะที่ผู้ตั้งใจฟังฟังด้วยความเคารพก็ย่อมจะได้กุศลเกิดขึ้นคือพระธรรมคำสอนนั้น mm. เหมือนกับว่าเป็นน้ำไปชำระจิตใจแต่จริงๆแล้วก็คือกุศลเกิดขึ้นในใจของเราได้โดยง่ายถ้าเราให้คำสอนของพระองค์นั้น เข้าไปตั้งมั่นอยู่ในใจของเราให้เป็นทางที่เราคิดเห็นไปตามนั้นสำหรับในวันนี้ก็คงจะนำเรื่องของคำสอนของพระพุทธ เ, ทเจ้าและของพระมหากรสปเทระต่อจากคราวที่แล้วมาแสดงว่าด้วยการให้โอวาทภิกษุทั้งหลาย ในปฐมโอวาทสูตรสังยุตตานิการนิทานวรตรมีเนื้อความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกรุงราชครึ๊งครั้งนั้นท่านพระมหากัสปะเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วถวายอภิวาทนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระมหากัสปะนั่งเรียบร้อยแล้วพระศาสดาได้ตัดดังนี้ว่าดูกรกัสปะ เธอจงกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายจงกระทธทรมีระถาก็คือถ้อยคาที่เป็นการอบรมใจแก่ภิกษุทั้งหลายเราหรือเธอพึงกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายเราหรือเธอพึงกระทำทำมีระถาแก่ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นคุณลักษณะของ กายานามิตรเชจนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อพบกับภิกษุผู้ประพฤติประมาจรรันด้วยกันก็จะกล่าวโอวาทสั่งสอนหรือกล่าวพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วพระมหากัสปะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญภิกษุทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่ายากนะ ให้ทำในที่นี้หมายถึงอกุศลธรรมนะเช่นเป็นผู้มีมานะหรือมีความดื้อความถือดีความไม่ศรัทธาอย่างเนี้ยประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่รับอนุสาสนีคือคำสั่งสอนโดยเคารพ แต่พระองค์พูดเจริญในพระธรรมวินัยนี้ข้าพระองค์ได้เห็นภิกษุชื่อพันดะซึ่งเป็นสัตธิที่วิหาริกคือเป็นลูกศิษย์ของพระอานุน์และภิกษุชื่ออาภิชิกะซึ่งเป็นสัตธิที่วิหาริกคือลูกศิษย์ของพระอนุรุตกล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตตะด้วยการ ทรงจำคำสอนของผู้เทธเจ้ามาทั้งคู่นั่นแหละแต่เอามากล่าวล่วงเกินกันว่าจงมาเถิดภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันใครจะกล่าวได้นานกว่ากันดังนี้พระมหากัสริยก็ได้แสดงเรื่องของพระภิกษุสองรูปว่าเป็นผู้ที่ว่ายาก ไม่รับคำสอนด้วยเคารพอย่างนี้ซึ่งก็คงจะมีอยู่ทุ ก, ท, ก, ท, กทุกสมัยเนะี่เพราะว่าธรรมดาของคนเราเนี่ยที่จะรับโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าได้โดยเคารพได้โดยอดอดทนอันนี้ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีบารมีมามากอย่างเช่นพระมาหาคัสสะ ท่านรับโอวาทพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวโอวาทสามข้อก็ทำตามเลยถ้าเพราะว่าท่านได้อบรมบรมีประสงค์จะตัดสู้ตามพระพุทธเจ้าประสงค์จะเป็นพระหันสิ้นกิเลสเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นเรื่องลาบากสำหรับท่านที่จะรับคำสอนและมาปฏิบัติจนได้ผลเพียงเวลาแปดวัน แต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยคนที่บาเพ็ญบารมีมาน้อยหรื อ, อยังไม่ได้บําเพ็ญบารมีมาเลยอำนาจของกิเลสเนี่ยมันจะมีมากอำนาจของความถือดีความแข่งดีหรือความหัวดือ้อมันมีอยู่ในจิตใจของคนไม่อยากจะพ้นทุกข์เพราะว่านะคิดว่า ตัวเราเองก็เป็นคนที่เก่งเหมือนกันเป็นคนที่มีความสามารถเหมือนกันอะไรอย่างนี้คิดไปทำดองนี้ไม่รู้สึกว่าพระธรรมคำสั่งสอนเป็นของสำคัญเป็นของมีค่าแก่ชีวิตของตนเองอย่างที่สุดในไม่เกิดความสังเวศสลดใจในการที่ตัวเองมีกิเลสอย่างนั้นน่มันก็คงจะเป็นคนว่ายากกัน ตัวทั่วๆไปเป็นลักษณะนิสัยของกิเลสซึ่งมันไม่ชอบพระธรรมเพราะว่าพระธรรมนั่นเป็นศัตรูกับตันหาศัตรูกับความโลภความถือตัวความเห็นผิดของทุกๆคนครั้งนั้นแลพระมีพระเจ้าตัดเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตัดว่าดูก่อนภิกษุเธอจงมาเธอจงเรียกพันดะภิษุ สัจธิวิหาริกของอนนท์และอาภิชิกะภิกษุสัจธ <oons> ิวิหาริกของอนุรุตมาตามคําของเราว่าพระศาสดาตัดเรียกท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนั้นทูลรับพระพุทธบระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าแล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึ ง, ถงที่อยู่ครั้นเข้าไปหาแล้วได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าพระศา ส, ส, ส ด, ดาเรียกท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคํา ภิกษุนั้นว่าขอรับผู้มีอายุดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาคารันเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระพุทธองค์นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครัภิกษุเหล่านั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าพวกเธอได้กล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตตะสุตะนี่ก็คือการฟังและก็จําไว้ได้นะว่า จงมาเถิดภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันใครจะกล่าวได้นานกว่ากันดังนี้จริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงไว้แล้วอย่างนี้นี่อย่างนี้นหรือพวกเธอจึงกล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตะอย่างนี้ว่าจงมาเถิดภิกษุ ใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันใครจะกล่าวได้นานกว่ากันก็พระพุทธเจ้าก็ถามนะว่าเธอทั้งสองเนี่ยรู้หมดแล้วหรือในธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้แล้วจึงได้มาพูดล่วงเกินกันและกันคือมาอวดเก่งเข้าหากันและกันนั่นแหละ <era> ก็เป็นคำถามการตั้งคำถามที่ดีนะ ว่าเธอรู้หมดแล้วเหรือตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครับภิกษุทั้งสองตอบว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข่าคือยังไม่รู้ทั่วถึงเลยยังไม่ได้ทำให้แจ้งเลยซึ่งอริยสัจสี่นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมะใดๆก็ตามแม้เพียงคาถาบทเดียวก็สงเคราะห์ลงในอริยสัจสี่ทั้งนั้นไม่มีเลยที่จะแสดงนอกเหนือไป เพื่อให้เขาเกิดปัญญาเกิดอริยมรรคมีองค์แปดนะฮะเพื่อเพื่อประสงค์จุดนั้นให้เขาได้เห็นสัจจะทั้งสี่เมื่อบิกษุถูกถามอย่างนี้ก็เป็นคนตรงนะเป็นคนซื่อเป็นคนยอมรับความจริงจึงบอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข่าพระศาสดาจึงกล่าวต่อว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายถ้าว่าพวกเธอไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ ดูก่อนโมคะบุรุษบุรุษผู้ว่างเปล่าจากคุณธรรมก็คุณธรรมอันนี้ก็คงจะเป็นคุณธรรมชั้นสูงนะ่ยคือไม่ได้เป็นผู้ได้มรดกได้ผลเนี่ยดูก่อนโมคะบุรุษเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเธอรู้อะไรเห็นอะไรบวชอยู่ในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ย่อมกล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตะไปทําไมเล่า ว, ว่า จงมาเถิดทิสุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันใครจะกล่าวได้นานกว่ากันพระพุทธจเจ้าก็ถามต่อไปอีกว่าเมื่อไม่รู้แล้วแล้วเธอรู้อะไรกันเธอเห็นอะไรกันเธอก็บวชอยู่ในธรรมวินัยนี้ซึ่งเราแสดงไว้ดีแล้วคือแสดงข้อประพฤติเพื่อกําจัดกิเลสไว้ดีที่สุด ไม่มีคําสอนใดที่จะทําให้กิเลสไม่มีโอกาสหรือหมดสิ้นไปจากใจได้เท่าคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทําไมเธอจึงต้องไปกล่าวอวดเก่งล่วงเกินกันและกันด้วยว่าเราพูดได้มากกว่าพูดได้นานกว่าอย่างนี้ทําไมจึงไปทําอย่างนั้นนะพุทธเจ้าก็ถามถามถึงเหตุครั้งนั้นแลภิกษุเหล่านั้นศพศีรษะไกล้พระบาท พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ทั้งหลายโทษก็คือความผิดโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ทั้งหลายผู้พานอย่างไรพานนี้ก็คือโงนะ่ไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตผู้หลงอย่างไรก็อันเดียวกันนะพานกับหลง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 จงทรงรับโทษโดยความเป็นโทษอันนี้เป็นลักษณะของคนดีคือรู้ว่าตัวเองผิดก็รับว่าผิ ด, ผดนะก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่คนผ่านแท้คือคนพ่านแท้เนี่ยจะไม่มีปัญญารู้ว่ากิเลสของตนกรรมชั่วของตนนั้นเป็นโทษเป็นความผิดจะไม่ยอมรับจะโทษแต่ความผิดของคนอื่น คือคนพาลแท้ๆเนี่ยมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกําลังแต่บัณฑิตคนมีปัญญาเท่านั้นจริงจะเพ่งโทษของตัวเองเท่านั้นเองเป็นกําลังอันนี้เมื่อเขาได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สํานึกผิดได้ว่าเราเนี่ยทําผิดใช่แล้วเอาคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้เอามาปฏิบัติให้รู้แจ้งกับเอามา แข่งดีกันมาทำให้เกิดโทษเกิดกิเลสแก่ตัวทั้งสองฝ่ายอย่างนี้จึงได้ขอขมาโทษว่าจงทรงรับโทษโดยความเป็นโทษแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อสำรวมต่อไปก็ขอขอให้พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ว่าเขาทั้งสองเนี่ยรับผิดแล้วแล้วก็จะสำรวมต่อไปพระศาสดาจึงกล่าวว่าเอาเถิดภิกษุทั้งหลาย โทษได้ครอบงำพวกเธอผู้พาลอย่างไรผู้หลงอย่างไรผู้ไม่ฉลาดอย่างไรเธอเราได้บวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ได้กล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตตะว่าจงมาเถิดภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันใครจะกล่าวได้นานกว่ากันดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลพวกเธอมาเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้ว ทำคืนเสียตามสมควรแก่ทำนะทำคืนเสียก็คือแสดงโทษอย่างนี้นะขอขมาโทษตามสมควรแก่ความผิดของตนเมื่อนั้นเราทั้งหลายขอรับโทษนั้นของเธอเ่านั้นก็การที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนเสียตามสมควรแก่ทำและถึงความสํารวมต่อไป นี่เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้าคือข้อประพฤติปฏิบัติของพระอริยบุคคลทั้งหลายมีข้อปฏิบัติว่าเมื่อทำผิดแล้วเนี่ยจะต้องไปประกาศความผิดของตนแล้วขอโทษผู้ที่เราไปทำผิดให้เกิดเสียหาย <c oughs> การทำอย่างนี้เนะี่ยชื่อว่าทำคืนตามสมควรแก่ความดี และก็ให้สำรวมต่อไปว่าเราจะเว้นความผิดอย่างนี้เราจะไม่คิดอย่างนี้เราจะไม่พูดอย่างนี้เราจะไม่ทำอาการทางกายอย่างนี้อีกอันนี้แหละจะเป็นความเจริญในชีวิตหรือในถือว่าเจริญในวินัยคือในข้อปฏิบัติของพระอริยะเจ้าก็หมายความว่าโทษเหล่านั้นน่ะมีกิเลสเป็นต้นเช่นความถือตัวถือดี ก็จะหมดกําลังที่จะงอกงามในชีวิตของผู้นั้นโทษเหล่านั้นก็เปน็นว่าถูกถอนออกไปถูกบันเทาไปเสียให้ให้น้อยลงหรือให้หมดสิ้นได้ด้วยความสำรวมต่อไปว่าเราจะปิดกั้นไม่ให้โทษเหล่านี้เกิดขึ้นมาอีกอันนี้เป็น โอปฐมโอวาทสูตรนะจบปฐมโอวาทสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้แก่พระภิกษุสองรูปนี้มีคำอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรื่องนี้ขึ้นมาแก่พระมหากัสปะเพราะเหตุอะไร ตอบว่าเพื่อตั้งพระเถระไว้ในฐานะของพระ อ, องค์เพื่อจะยกย่องพระเถระเนี่ยให้มีฐานะเช่นเดียวกับพระองค์คือเป็นกัลยาณมิตรที่จะอบรมสั่งสอนภิกษุทั้งหลายด้วยกันถ้าพระภิกษุไม่อบรมสั่งสอนซะแล้วภิกษุรุ่นหลังก็จะไม่มีที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประธานพระศ า, าสนาไว้ ให้ภิกษุทุกรูปที่เข้ามาบวชเนี่ยได้มีสิทธิ์ที่จะพึ่งพระธรรมวินัยนี้คือให้ทําอย่างที่พระองค์ทํำนั่นแหละว่าพระองค์ทรงกล่าวธรรมสอนธรทำทำทรมีกระฐานะแสดงธรรมมีกระถาให้แก่พระภิกษุก็ขอให้พระมหากรสปะทรงทําตามพระองค์นั่นแหละมีคําถามว่าภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะ ไม่มีหรือไม่ได้อยู่ที่นั้นหรือเพราะว่าปกติเนี่ยพระศาิบุตรจะเป็นผู้กล่าวสอนพระโมคคัละก็เช่นกันทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าตอบว่ามีแต่พระพุทธเจ้าได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระเถระเหล่านี้จกดำรงอยู่นานไม่ได้คือพระสารีบุตรและพระโมคคัละเนี่ยจะมีอายุน้อยกว่าพระมหากรสปะเพราะว่าพระมหา โกลานะและภาษาลิบุตรจะปรินิพานก่อนก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก่อนพระมาหากัสปะส่วนกัสปะนั้นมีอายุยืนไปถึงร2อยี่สิบปีเมื่อเราปรินิพานแล้วกัสปะนั้นจักนั่งในถ้มสัตบันคูหาเพื่อทำการรวบรวมพระธรรมวินัยซึ่งก็คือสังขยนณาครั้งแรกทำให้ ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตั้งมั่นไปได้ประมาณ5000ปีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงคิดอย่างนี้ว่าเราจึงตั้งเธอไวในฐานะของของเธอเน่คือเธอจะต้องมีความเคารพในพระธรรมวินยัยเพราะได้ฟังพระสูตรเนี่ยคือพระราจาปากก็จะคิดถึงว่าพระพุทธเจ้าบอกให้กล่าวสอนภิกษุให้แสดงธรรมมีคถาแก่ภิกษุ เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพรุ่งนิพผ่านไปแล้วพระมาหากัสสปะจะอาศัยเหตุนี้แหละทำสังขยนาพระพุทธเจ้าคิดต่อไปว่าพวกภิกษุจักสําคัญคําของกัสสปะอันตนพึงฟังด้วยดีคือพระภิกษุทั้งหลายต่อไปเนี่ยจะเห็นความสําคัญของพระพของพระมาหากัสสปะเถระหลังจากพระพุทธเจ้าพรุ่งนีพผ่านรัตสาทิบุตรพระโมคคัลลานิพานไปพระมาหากัสสปะเป็นพระเถระสูงสุด มีพรรษาสูงสุดเป็นองค์ที่สพวผู้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยจะเคารพพระมหากัสตปะยิ่งแล้วก็จะทำตามพระมหากัสตปะในการสังขยนาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดอย่างนั้นทีนี้คำว่าเป็นผู้ว่ายากก็คงจะมีความหมายตรงตัวอยู่แล้วไม่รับไม่รับเอาพระธรรมคำสอนโดยเคารพไม่ปฏิบัติตามคำสอน อันนี้ก็คือไม่เคารพนั่นเองแล้วคําที่ว่ากล่าวล่วงเกินกันก็คือพูดมากเกินไปเพราะอาศัยการที่ได้เรียนพระสูตรทรงจำมามากเพราะฉะนั้นก็อยากจะอวดตัวว่าเราทรงจำธรรมะได้มากจึงได้มาถามว่าท่านหรือเราลนะ่ะใครจาได้มากกว่ากันอย่างนี้ทีนี้ภิกษุเมื่อกล่าวมากย่อมกล่าวไม่ได้ไประโยชน์ไม่ไพเราะ เมื่อกล่าวมากไปนะก็จะกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ไพเลาะไปด้วยนะทีนี้รูปบางรูปนะบางรูปก็กล่าวมีประโยชน์แล้วก็กล่าวไพเลาะบางรูปก็กล่าวมากและดีแต่ไม่กล่าวนานเลิกเร็วบางรูปก็กล่าวนานอันนี้เป็นเรื่องของอัธยาศัยของภิกษุแต่ละท่านแต่ละท่านคือบางท่านก็ กล่าวซะมากเลยแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ด้วยไม่ไพเราะด้วยบางท่านก็กล่าวมีประโยชน์ไพเราะด้วยบางท่านก็กล่าวมากและดีแต่ไม่กล่าวนานก็เลิกเร็วบางท่านก็กล่าวมากดีด้วยและกล่าวนานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตาภิกษุในสมัยนั้นก็คงจะเรียกว่าร้อนวิชาก็ได้คือเรียนมาแล้วก็อยากจะรู้ว่าใครจะกล่าวได้มากกว่ากันได้ดีกว่ากัน ได้นานกว่ากันแบบนั้นนะนะพระพุทธเจ้าเมื่อทราบสาเหตุอย่างนี้ว่าพระมหากัสปะเถระไปเห็นพระภิกษุไม่เคารพในพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่อยากจะสอนเพราะเห็นว่าพระภิกษุเหล่านี้ว่ายากไม่เคารพไม่ทำฐานะของพระสาวกที่ดีพระพุทธเจ้าจึงได้ เรียกพระภิกษุมาเพื่อให้พระภิกษุทั้งสองรูปนั้นได้เกิดความสลดสังเวชใจในการที่จะเห็นความผิดของตัวเองโดยปกติแล้วชีวิตของเราทุกคนเนี่ยก็มีกิเลสเกิดขึ้นกันอยู่เรื่อยๆได้กิเลสเนี่ยก็ไม่ได้ยกเว้นหรอกว่าเมื่อฟังธรรมะของพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีกิเลสมันก็มีกิเลสได้ เพราะฟังด้วยกิเลสว่าโอ้เราเรียนรู้ได้มากทรงจำได้มากอย่างนี้นะก็เป็นโทษของตัวของผู้นั้นเองแทนที่จะรับด้วยความเคารพว่าโอ้พระธรรมวินัยนี้เป็นของพระเสริฐสุดหาได้ยากเราจะนำมาปฏิบัติเหมือนกับหนึ่งว่าเราได้ราชสมบัติของพระเจ้าจากกักรพรรด เราได้ของมีค่าที่สุดแล้วในวัตถสงสารเราจะไม่ทอดทิ้งจะเทิดทูนปฏิบัติให้เป็นไปตามนี้ให้ได้ให้พ้นทุกข์ให้ได้มันมีความคิดยากนะก็ต้องเป็นวิสัยของผู้เป็นบัณฑิตโดยแท้จริงอย่างผู้ที่เห็นเรื่องอํานาจกิเลสเห็นเรื่องอานาจกิเลสโดยแท้จริงเนี่ยจะขอยกตัวอย่างท่านหนึ่งนะชื่อเตนะลุกาดิเถระพระเถระ ชื่อว่าเตลุกานิท่านเมื่อยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านได้เห็นกิเลสของท่านเองที่มันเกิดขึ้นเป็นสภาวะธรรมที่ทำให้ท่านต้องกล่าวคาถาออกมาเลยเพราะท่านก็เป็นผู้มีปัญญาที่จะไปเห็นชัดได้ซึ่งจิตใจของตัวท่านเองท่านกล่าวว่าเรามีความเพียรค้นคิดทำอยู่นาน ก็ไม่ได้ความสงบใจจึงได้ถามสมณพราหมณ์ทั้งหลายว่าใครหนอในโลกเป็นผู้ถึงฝังแล้วใครเล่าเป็นผู้ได้บรรลุธรรมอันอย่างลงสู่อมะตะเราจะปฏิบัติธรรมของใครซึ่งเป็นเครื่องให้รู้แจ้งประมัติประมัติเนี่ยคือความจริงอันสูงสุดได้แก่อริยสั์สีนะ เราเป็นผู้มีความคดความคดคือกิเลสอันไปแล้วในภายในกิเลสเนี่ยมันทาให้ใจเราคดมันไม่ชิดไปในทางตรงคือไม่ตรงไปสู่มรรคผลนิพพานมันชิดไปทางนอกมรรคผลนิพพานคือทางในวัตตสงสารเนี่ยกิเลสมันเป็นผู้คดอย่างนั้นนะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นกิเลสอะไรก็แล้วแต่มันเป็นคนไม่ตรงเนี่ยลักษณะมันไม่ตรง เราเป็นผู้มีความคดคือกิเลสอันไปแล้วในภายในคือในใจภายในใจเนี่ยมันมีความคดของจิตใจอยู่เมื่อจิตใจเนี่ยเกิดความโกรธก็คดไปแล้วไม่ตรงแล้วนะเกิดความริษยาเกิดความถือตัวอย่างเนี้ยนะเหมือนปลาที่กินเหยื่อฉะนั้นท่านเปรียบเทียบไว้ดีนะเหมือนปลาเนี่ยมันก็จะไปกินเหยื่อคือ อาจจะปลาเล็กด้วยกันหรือสัดอื่นๆต้องการที่จ้องที่จะไปกินเหยื่ออย่างเดียวในในจิตใจของท่านที่ประกอบด้วยกิเลสเราถูกผูกด้วยบ่วงใหญ่คือกิเลสท่านท่านบอกว่าใจของท่านเนี่ยมันเหมือนกับถูกบ่วงขนาดใหญ่เลยผูกมัดไว้แน่นเราถูกผูกด้วยบ่วงใหญ่คือกิเลส เหมือนท้าเวปจิตติอาสูรเท้าเวปจิตติอาสูรเนี่ยเป็นหัวหน้าของเทวดาชั้นจตุ่มนะแต่เป็นเทวดาที่เขาเรียกกันว่าอาสูรเพราะว่าชอบกินในน้ำำนะําอมฤตกินเมาแล้วมีปกติก็ทำเรื่องไม่ดีเหมือนเท้าเวปจิตติอาสูรถูกผูกด้วยบ่วงของเท้าสักกะฉะนั้นทีนี้เท้าสักกะเนี่ยเขาไปเกิดขึ้นใหม่ไปเกิดด้วยบุญ เห็นพวกอาสูรจึงมีท้าเวปจิตติเป็นหัวหน้ากินเหล้าเมาก็เลยจับโยนตกลงมาแต่ด้วยอำนาจบุญเท้าเวปจิตติก็ไม่ตายกลับยกทัพมาสู้ใหม่แต่สู้เท้าสกะไม่ได้ถูกผูกด้วยบ่วงของเท้าสกะท่านก็มาเปรียบว่าท้าเวปจิตติอาสูรเนี่ยผูกผูกด้วยบ่วงของเท้าสกะฉันใดเราก็ถูกกิเลสมันมัดจิตใจไม่เหมือนกันอย่างนั้น เรากระชากบ่วงคือกิเลสนั้นไม่หลุดเรากระชากไม่ได้นะไอความรักความอยากความถือตัวความดิสยาความมัจฉริยะเนี่ยยังกระชากไม่ได้จากกายทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวตนอยู่ในขันธ์ห้าเนี่ยยังไม่หมดเลยสิ่งเหล่านี้มันก็มัดหัวใจไว้แน่นจึงไม่พ้นไปจากความโศกและความร่ำไรลำพัน เพราะมีความรักในสังขารต่างๆนะจะมีชีวิตจะมีจิตใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกและความร่ําไรลําพันเมื่อพัดพลากจากสิ่งที่รักนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่พ้นไปจากความโศกและความร่ําไรใครในโลกจะช่วยเราผู้ถูกผูกแล้วให้หลุดพน้นท่านท่านกล่าวเลยนะว่าใครในโลกนี้นะจะมาช่วยตัวท่านเอง ที่ท่านถูกผูกอยู่เนี่ยให้พ้นไปจากบ่วงใหญ่อันนี้ได้แล้วเป็นบ่วงในภายในแล้วประกาศทางเป็นเครื่องตัดสรู้ให้เราท่านต้องการเพียงผู้มาบอกทางที่จะให้ตัวท่านเนี่ยได้เกิดปัญญานะเกิดปัญญาที่จะทำให้ปัญญานั้นนะกมจัดบ่วงคือกิเลสใครหนอ จะมาเป็นผู้ประกาศทางเป็นเครื่องตรัสรู้ให้เราเราจะรับสมณะหรือพรามคนไหนไว้เป็นผู้แสดงธรรมอันกำจัดกิเลสได้จะปฏิบัติธรรมเครื่องนำไปปราศจากชลาและมรณะของใครเนี่ยท่านถามตัวเองเนี่ยนะว่าโอเราเนี่ยจะไปรับใครมาเป็นอาจารย์เป็นศาสดาของเราดีมีสมณะหรือพรามคนไหนเล่าจะเป็นผู้แสดงธรรม ที่กำจัด ก, กิเลสได้จริงๆแล้วตัวท่านเนี่ยจะปฏิบัติ ร, รมที่จะนำไปให้มันพ้นความแก่และความตายของใครก็ราถามดูนะเพราะว่าท่านได้เห็นกิเลสว่ามันมีกำลังเหลือเกินแล้วก็เพียนคนคิดอยู่มานานแล้วก็ไม่ได้ความสงบใจกิเลสก็ยังเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นแล้วไปเที่ยวถามว่าใครละ่ะที่อยู่ในโลกเนี้ย เป็นพูดถึงฝั่งอันนี้หมายถึงถึงพระนิพพานแล้วกิเลสไม่ตามไปท่วมทับได้อีกแล้วเนี่ยใครเราเป็นผู้ได้บรรลุธรรมอันยังลงสู่อมตะเราจะปฏิบัติธรรมของใครเนี่ยอันนี้เป็นเป็นความในใจของท่านเลยท่านจึงได้กล่าวเป็นคาถาว่าจะไปหาใครดีนะใครจะมีปัญญาช่วยเราได้เราเนี่ยรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าว่าชีวิตแต่ละวันแต่ละวันของเราเนี่ย ม, มันมันมี